โดยส่วนตัวบีเองก็มีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าในโลกนี้ผีมีอยู่จริงมันไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบที่เรียกว่า ง, งมงายแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกให้รู้นะคะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวของคนอื่นนะคะมันคือวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว <S <S เขาอาจจะเป็นญาติมิตรของท่านหรือว่าอาจจะเป็นศัตรูที่มีความชิงชังอย่างชนิดเอาเป็นเอาตาย แต่ว่าทำไมเราจึงไม่เห็นวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นจากการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณของอผู้รู้หลายท่านที่ได้บันทึกไว้ก็เลยทําให้รู้อย่างหนึ่งนะคะว่าวิญญาณนี้สามารถที่จะรวบรวมพลังก่อเป็นรูปเป็นร่างได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆจากนั้นก็จะสลายไปในแต่ละครั้งที่วิญญาณสัแดงร่างให้คนเห็นจะต้องใช้พลังอย่างมหาศาลค่ะ การปรากฏกายของวิญญาณให้คนเราได้รับรู้มักจะเป็นในรูปแบบของเสียงของกลิ่นที่จะเป็นรูปร่างก็มักจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่าพลังของวิญญาณเนี่ยมีไม่ค่อยจะเพียงพอนั่นเองการมาสแสดงพลังของวิญญาณหากว่ามาในรูปแบบของพวกเสียงหรือว่ากลิ่นนะคะโดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ว่าในกรณีที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างกรณีนี้ ขอให้คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันอาจจะเกิดจากจิตของเราเองที่สร้างภาพขึ้นมาก็เลยทำให้เห็นไปต่างๆนานาหรือที่เรียกว่าภาพหลอนนั่นเองค่ะแต่ว่าการมาปรากฏตัวของวิญญาณอีกสถานภาพหนึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่เราจะยกนำมาเสนอโดยสิ้นเชิงนะคะยกตัวอย่างกรณีพวกปีศาจของแม่นาคพระขนง ปีศาจของแม่นาคพระขนงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดธรรมชาติคื อ, อเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะเป็นการคลอดลูกตายแบบตายทั้งกลมแล้วก็คนโบราณเชื่อว่าผีตายทั้งกลมเนี่ยจะมีความดุร้ายมากกว่าผีตายหงทั่วไปเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตพร้อมๆกันทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะนางหน้าก็เลยสามารถที่จะปรากฏตัวให้กับทิดมาก สามีได้เห็นอีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบคู่ผัวตัวเมียกับทิดมากอีกเป็นเวลานานนะคะก็แสดงให้เห็นค่ะว่าปีศาจแม่นาคมีความมีพลังเป็นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อกล่าวถึงปีศาจนางนาค ก, ก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องราวของปีศาจนางพลับพลึงค่ะซึ่งมีความดุร้ายพอๆกันกับปีศาจของนางนาคเลยทีเดียวสุสานที่รับร่างแล้วก็วิญ ญ, ญาณของนางพลัพลึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหรนะ่นัก อยู่แค่บางกรวยนี่เองค่ะบริเวณบางกรวยในสมัยเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วสภาพยังเป็นป่าอยู่นะคะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมดูมืดครึ้มถนนเส้นบางกรวยใส่น้อยเวลานั้นยังไม่มีทางสัญจรยังคงเป็นถนนดินอยู่ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยมักจะเดินทางโดยใช้ทางน้ำเป็นหลัก สมัยนั้นคลองบางกรวยเป็นเสมือนยายแมงมุมค่ะเรือกสวนไร่นาต่างๆเจ้าของก็มักจะขุดทางน้ำออกไปคลองบางกรวยจากนั้นก็จะเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาอีกทอดหนึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณข้างๆวัดสำโรงมีคลองเล็กๆอยู่คลองหนึ่งสอบถามคนสมัยนี้ก็ก็จะสายหน้าบอกว่าไม่รู้จักว่าเป็นคลองอะไร แต่สำหรับคนเท่าคนแก่นะคะบอกว่าคลองเล็กๆแห่งนี้มีชื่อว่าคลองเจ้าแม่พลับพลึงซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นที่เล่าลือกันข่าว่าผีดุมากย้อนกลับไปเมื่อสัก50ปีที่แล้วสมัยก่อนนะคะหากจะถามหาหญิงงามในย่านนี้คงต้องยกให้กับแม่พลับพลึงเพราะว่าเธอมีความสวยจริงๆค่ะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเคยแอบชอบเธออยู่เงียบๆ แต่ว่าเธอไม่แสดงความสนใจใครทั้งสิ้นด้วยเหตุที่ว่าเธอไปหลงรักตำรวจวังคนหนึ่งทั้งคู่รักกันมาก แต่ว่าในเวลาเดียวกันค่ะก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าทองซึ่งในทองคนนี้ก็รักพลับพึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรักแบบรักเขาข้างเดียวเพราะว่าพลับพึงไม่เล่นด้วยในทองเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างจะเกเรคงจะถือว่าเป็นคนรวยนะคะมีฐานะมั่นคงมั่งคัง่งอยากจะได้เป็นต้องได้หากซื้อด้วยเงินไม่ได้ก็จะต้องใช้ด้วยวิธีฉุดค่ะ จากนั้นก็จะเอาเงินมาฟาดหัวพ่อแม่ผู้หญิงไม่ให้เอาเรื่องคนรวยและก็มีอิทธิพลใครบ้างจะกล้าไปมีเรื่องด้วยใช่ไหมคะทำให้ในายทองพยองกลายเป็นนักเลงสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกชาวบ้านไปทั่วเมื่อรู้ว่าพลับพลึงไม่ยอมรับรักเพราะว่ามีคนรักอยู่แล้วนายทองก็เลยอรารวาดเป็นการใหญ่แต่ว่าแฟนของพลับพลึงซึ่งเป็นตารวจวังก็ไม่กลัวเพราะถือว่าตนเองเป็นตารวจมีปืนอยู่ในมือเหมือนกัน อย่างไรก็ตามค่ะในเมื่อฝ่ายหนึ่งจ้องจะเล่นงานกับอีกฝ่ายหนึ่งที่คอยระวังอย่างไรซ่านะคะฝ่ายที่ระวังมันก็ต้องมีวันพลาดเข้าไปจนได้ในวันหนึ่งนะคะขณะที่คนรักของพลับพลึงเนี่ยกำลังจะพายเรือกลับบ้านหลังจากที่ส่งพลับพลึงขึ้นเรือนไปแล้วในทองกับสมุนของมันซึ่งแอบอยู่ริมตะลิ่งค่ะก็ได้รอบยิงแบบไม่ยั้งจนตายคาเรือจากนั้น พวกของในทองก็ลากศพของผู้ชายไปทิ้งที่หน้าบ้านของพลับพึงพอเห็นศพของคนรักพลับพึงก็โศกเศร้าเสียใจจนแทบจะเสียผู้เสียคนนะคะพลับพึงเอาศพของชายคนรักไปไว้ที่วัดสำโรงเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีในงานศพในทองกับพวกก็ยังตามมาเยอะเยอะพูดจาถาถางพลับพึงอีกแต่ว่าพลับพึงก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรก็เลยทาให้ในายทองเนี่ยมันยิ่งแค้นใจ ย, ยิ่งขึ้น คืนนั้นนะคะพอพระสวดศพเสร็จพระพลึงก็ได้ลงเรือจะกลับบ้านแต่ว่าก็ได้ถูกพวกของในทองเนี่ยดักฉุดไปข่มขืนที่ข้างวัดจากนั้นก็ได้ฆ่าปิดปากอย่างโหดเหี้ยม พลับลิงตายได้วันเดียวก็เฮียนขึ้นมาทันทีนะคะนายทองกับพวกค่คะถูกผีเล่นงานจนจับไข้ตัวนายทองเนี่ยกลายเป็นคนเสียสติเป็นคนบ้าไปเลยรักษายังไงก็รักษาไม่หายสุดท้ายเขาก็ตกน้ําตายตรงจุดเดียวกันกันกบที่ทําการข่มขืนคลับเพลิงนั่นเองค่ะเป็นเรื่องแปลกมากนะคะคนรู้ฟังเพราะว่านายทองคนนี้เนี่ยเป็นคนว่ายน้ํำเก่งแต่ว่าทําไมถึงได้มาตกน้ําตายเช่นนี้ ที่ตรงนั้นหากเป็นตอนกลางคืนพวกชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพราะว่าต่างก็กลัวผีของพลับพลึงจะมาปรากฏร่างให้เห็นเจ้าของที่เองก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็เลยขายที่ให้คนอื่นไปผู้ซื้อเป็นหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชหมอได้ปลูกบ้านทรงไทยอย่างดีสวยงามมากแต่ว่าหมอก็อยู่ได้ไม่นานค่ะก็ต้องประกาศขายบ้านหลังนั้นโดยหมอเล่าให้ชาวบ้านใกล้เคียงฟังบอกว่า ถูกผีผู้หญิงเนี่ยมาหลอกถึงในห้องนอนแม้ว่าจะเป็นหมอไม่กลัวศพแต่ว่าพอมาเจอผีหมอก็ต้องเพ่นเหมือนกันนะคะคนซื้อต่อมาเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลังบ้านทรงไทยกลายเป็นเท่าฐานพร้อมกับคลอกคนในบ้านตายเรียบเลยห้าศพเป็นข่าวเกรียวกกราวมากในเวลานั้นนะคะและที่ตรงบริเวณดังกล่าวก็ไม่มีใครกล้ามาซื้ออีกเลย แต่ว่าในเวลาต่อมาไม่นานนะคะก็มีคนมาปลูกเป็นตึกแถวแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่แต่ว่าก็ไปไม่รอดค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นประจำอย่างนักดนตรีถูกไฟดูดตายนักร้องเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอาการคุ้มคลั่งไล่ตีแขกจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีเรื่องขึ้นโรงพักเป็นประจำนะคะ สอบถามได้ความว่าทำลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแม้ว่าจะมีการตั้งสารมีการทำพิธีขับไล่ผีตายโหงแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนในที่สุดคาเฟ่ก็ต้องปิดตัวเองลงนะคะ วันรุ่งขึ้นก็เกิดไฟไหม้คาเฟ่หมดทั้งหลังพอตำรวจมาสอบสถานที่เกิดเหตุก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าวิญญาณของพลับพึงอย่างแน่นอนหล่อนต้องการความสงบเงียบแต่ว่ามีคนมาทำอึกระทึกครึกโครมจึงต้องเจอการสั่งสอนแบบนี้ซึ่งดูแล้วอาจจะแรงไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ตรงบริเวณดังกล่าวไม่มีใครกล้ามาเช่าเลยแม้แต่รายเดียวซึ่งหากว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์สักนิดหนึ่งทำพิธีการให้ถูกต้องก็เชื่อนะคะว่าผีของพลับพลึงจะทำให้ทุกอย่างพลิกผันเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีกลายมาเป็นโชคลาภความร่ำรวยอย่างมหาศาลค่ะและทั้งหมดนี้คือตำนานความเป็นมาของเจ้าแม่พลับพลึงซึ่งสถิตยอยู่ในศาลเจ้าแม่พลับพลึงที่คนบางกลุรุ่นก่อนๆต้องรู้จักเป็นอย่างดีค่ะ เรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็พูดผีพิศารคงจะเปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มหนาๆเล่มนึงสิ่งที่บีนำมาเสนอผ่านคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นเพียงหน้าแรกเท่านั้นนะคะมีเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเป็นเรื่องของคุณกริดค่ะบอกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในยุคฟองสบู่แตก ผู้คนจํานวนมากต่างก็ถูกปลดออกจากงานประจําที่ทําอยู่บรรดาเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายน้อยรายเล็กรายใหญ่นะคะก็ถึงขั้นตกต่ําสิ้นเนื้อประดาตัวบางรายนี้ก็จะไม่อาจทนต่อสภาพความตึงเครียดที่รุมเร้าได้ไหวต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้สินหนีปัญหาที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ในขณะนั้นวิกฤตเศรษฐกิจในยุคนั้นทุกคนต่างก็รับรู้กันเป็นอย่างดีและก็ต่างคงเข็ดหลาบกับบทเรียน ราคาแพงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราโดยไม่อาจจะลืมเลือนค่ะก่อนหน้านั้นคุณกรีดบอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในคราวนั้นคุณกรีดก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่จะต้องถูกปลดออกจากงานเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชะตากรรมนับแสนชีวิต แม้ว่าคุณกริด จ, จะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งตอนออกจากงานแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงทุนค้าขายหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันคือเงินก้อนสุดท้ายก้อนเดียวในชีวิตนะคะหลังจากตระเวนหางานทำอยู่เนิ่นนานค่ะแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้งานทำสถทีเนื่องจากว่าแต่ละที่นั้นล้วนต้องการจะปลดคนออกและก็ไม่มีนโยบายรับคนเข้ามาทางานใหม่ดังนั้นคุณกรินะคะก็ได้พบประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภยัย ประจำคอนโดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงคุณเกรีดบอกว่าไม่รีรอใดๆทั้งสิ้นที่จะไปทําการสมัครอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเลยก็ตามและก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโชคร้ายหรือว่าโชคดีกันแน่ที่ดันได้งานทําที่คอนโดแห่งนี้ในคราวนั้น คุณกรีตบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของอาคารชุดนี้บอกว่าให้เริ่มงานคืนพรุ่งนี้เลยแล้วก็พูดทิ้งท้ายไว้นะฮะบอกว่าหวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันนานๆ น, น, นะหลังจากที่สัมภาษณ์อยู่ครู่หนึ่งซึ่งคุณกรีตบอกว่าจําสีหน้าและก็แววตามเขาได้ดีเพราะมันทําให้คุณกรีตเองก็รู้สึกถึงบางอย่างที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ คอนโดแห่งนี้ค่ะมีความสูง15ชั้นตั้งอยู่ย่านพหนโยธินสร้างเสร็จเมื่อประมาณาสัก3ปีก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของเหตุการณ์ฟองสบู่แตกเนี่ยนะคะแล้วก็คอนโดแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยจำนวนค่อนข้างมากพอดูค่ะชั้น1ถึงชั้น14มีคนอาศัยอยู่เกือบเต็มในแต่ละชั้น แต่ว่าผิด ก, กันกับชั้นที่15ไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่ามีป้ายติดประกาศให้เช่าอยู่หน้าประตูทุกห้องเต็มไปหมดตัวคุณกริเองนะคะหลังจากเริ่มงานค่ะก็มีหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของตึกตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้าต้องตรวจตามชั้นต่างๆทุกสองชั่วโมงคือตอนเที่ยงคืนตีสองแล้วก็ตีสจะเป็นการตรวจในรอบสุดท้ายนะคะ รอบแรกตอนเที่ยงคืนทุกอย่างเป็นปกติดีไม่มีอะไรผิดสังเกตหรือว่าสอให้เห็นว่าน่าจะมีสิ่งผิดสังเกตนอกจากตรงบริเวณชั้น15ที่ไม่มีคนอยู่มันดูมืดสลัวเพราะว่าเปิดไฟทางเดินไว้เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็เลยทำให้ดูเงียบเหงาแล้วก็วังเวงกว่าชั้นอื่น แต่คุณกริตก็ไม่ได้นึกหวาดแรงอะไรนะคะก็บอกว่าห้องพักทุกห้องบนชั้น15บนี่ถูกปิดแล้วก็คล้องกุญแจไว้แน่นหนาดูไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเขาก็เลยตั้งใจไว้ว่าในการตรวจสอบรอบต่อไปสักตอนตีสองกว่านั้นคงไม่ต้องขึ้นไปดูถึงชั้นนี้ก็ได้แต่นั่นมันเป็นไปได้เพียงแค่ความคิดนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆมันก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นจนทาให้ไม่อาจที่จะละเลยหน้าที่ได้ ประมาณตีสองครึ่งค่ะขณะที่กําลังเดินตรวจตราอยู่ที่ชั้น14ของการตรวจรอบ2นั้นระหว่างนั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผิดปกติบางอย่างดังขึ้นที่ชั้นบนก็คือชั้น1 5มันสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับตัวของเขาเป็นอย่างมากแล้วก็รีบเดินย่องเงียบกริบผ่านบันไดชั้นบันไดชั้น14นะะไปยังชั้น1 5ทุกอย่างเงียบงันแล้วก็ว่างเปล่าค่ะท่ามกลางความสลัวของแสงไฟ ก็มีความรู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลทั้งที่ไม่มีกระแสลมใดๆพัดผ่านเข้ามาได้เลยเนื่องจากกระจกบานเกรดที่เจาะไว้ตรงริมกำแพงขอบทางเดินทั้งสองด้านถูกปิดสนิทนะคะคุณกริตพยายามทำใจดีสู้เสือค่อยๆก้าวเดินไปตามทางเดินอย่างช้าๆกระชับกระบอกไฟฉายในมือพร้อมกับส่องสำรวจตามประตูห้องต่างๆอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นนะคะ จนกระทั่งเดินมาถึงห้องพักหมายเลข1504ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของตัวตึกคุณกรีดบอกว่าได้ยินเสียงร้องฮือๆเหมือนกับเสียงผู้หญิงร้องไห้นะคะดังเข้ามากระทบเต็มสองหูกระบอกไฟฉายในมือเนี่ยก็เลยหันไปยังประตูห้องที่มาของเสียงเขาบอกว่าพลันตอนนั้นนั่นเองที่เขารู้สึกว่าตัวเย็นไปทั้งตัวเมื่อพบว่าประตูห้องพักหมายเลข 1504ถูกเปิดแง้มไว้ทั้งที่ตอนขึ้นมาตรวจรอบแรกมันยังถูกปิดสนิทคล้องกุญแจแน่นหนาเช่นเดียวกันกับห้องอื่นๆในชั้นนี้ตอนนั้นคุณกรีดบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากว่าขโมย ก็คาดเดาไว้ในใจแล้วว่าถ้าไม่ใช่ขโมยแล้วจะเป็นใครเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วห้องพักในคอนโดหรูเช่นนี้แม้จะไม่มีคนมาพักอาศัยเจ้าของห้องก็มักจะทําการตกแต่งประดับระดาห้องไว้อย่างสวยงามมีเฟอร์นิเจอร์และก็สิ่งอํานวยความสะดวกเตรียมไว้ครบครันนะคะและบางทีค่ะอาจจะมีสิ่งของมีค่าเก็บไว้ภายในห้องด้วย คุณกรีดบอกว่าตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเริ่มงานวันแรกก็เจอดีซะแล้วแต่ว่าในเมื่อมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาก็จำเป็นต้องตรวจดูให้รู้แจ้งเห็นจริงและหากว่ามันเป็นจริงดังว่าก็คงต้องออกกำลังกันสักยกนึงก็น่าจะพอไหวเขาก็คิดอย่างนั้นน่ยนะคะเขาก็เลยผลักบานประตูให้เปิดออกอย่างช้า แต่ว่าเต็มไปด้วยความระมัดระวังพร้อมกับสาดแสงจากไฟฉายในมือเข้าไปภายในห้องเสียงร้องไห้ครวญครางของผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ได้ยินอยู่กลับเงียบหายไปค่ะในขณะที่ผิวกายของเขาสัมผัสกับไอเย็นเยือกอย่างประหลาดเมื่อเขาแทรกตัวเข้าไปอยู่ภายในห้องนั้นตัวคุณกริษเองนะคะก็แข็งใจร้องเสียงเบาๆนะคะถามว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ไหมแต่ว่าทุกอย่างก็เงียบกริบนะคะไม่มีเสียงเกิดขึ้น ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมเมื่อเข้าไปสู่ภายในห้องคุณกริดเองก็พยายามหาสวิตช์ไฟเพื่อจะเปิดให้ได้แสงสว่างแต่ก็ต้องเลิกลมนะคะเมื่อตระหนักได้ค่ะว่าไฟฟ้าคงถูกตัดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยมีเพียงไฟฉายในมือแค่นั้นเองนะคะที่พอจะพึ่งพามันได้ในยามนี้ซึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย ลำแสงสว่างจากไฟฉายก็สาดไปยังส่วนต่างๆของห้องจนทั่วบริเวณก็ไม่พบนะฮะว่ามีใครอยู่ในห้องนั้นเขาก็รู้สึกโล่งอกที่จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหัวขโมยแต่ก็ยังไม่วายสงสัยนะฮะว่าอยู่ดีๆประตูห้องเปิดออกได้อย่างไร ด้วยความสงสยัยคุณกริตเองก็เลยต้องตรวจดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยสาดไฟฉายไปตามเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆนะคะที่ถูกจัดวางอยู่อย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้โชว์โต๊ะรับแขกโต๊ะเครื่องแป้งตลอดจนเตียงนอนค่ะ ทันใดนั้นเองนะ่ฮะสายตาของคุณกรีดก็ต้องไปสะดุดเข้ากับกรอบรูปที่วางอยู่ที่โต๊ะหัวเตียงซึ่งเป็นภาพของผู้หญิงสาวคนหนึ่งน่าจะอายุไม่เกิน30ปีรูปร่างหน้าตาจัดว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่งเขาก็เลยเอื้อมมือทำท่าจะหยิบขึ้นมาดูใกลๆ้ๆแต่ว่าตอนนั้นจมูกของเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคระคลุ้งเต็มห้องนะคะพร้อมกับเสียงร่ำไห้คร่ำครวญที่เคยได้ยินก่อนหน้ากลับมาดังกระทบเข้าเต็ม2หู คุณกรีดบอกเรานะคะว่าเสียงนั้นนี่ฟังดูห่วยหวนหน้าขนลุกขนพองมากเขาตกใจค่ะพร้อมกับพงะเซถอยหลังเข้าไปหยุดยืนอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำภายในห้องโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเสียงครางฮือฮือนี่ ย, ยังคงชัดเจนจนรู้สึกได้นะคะว่าที่มาของเสียงนี่น่าจะอยู่ในห้องน้ำตัวเขาเองก็รวบรวมความกล้าเป็นไงเป็นกัน ก็เลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดค่ะท้งที่เขาก็ตกใจกลัวอยู่เหมือนกันเปิดประตูห้องน้ำาพื่อเข้าไปหมายจะให้มันรู้ดีรู้ชัวกันไปข้างหนึ่งแต่แล้วค่ะก็เห็นผลเกินคาดเมื่อเขาได้พบกับภาพที่ทำให้เขาต้องตะลึงสิ่งที่ตัวของคุณกริดเองเห็นนะคะคือร่างของผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขาเห็นในภาพค่ะห้อยตรงเตงอยู่ใต้ราวเหล็กในห้องน้า บริเวณรอบคอถูกรัดด้วยเชือกขนาดเท่านิ้วก้อยลิ้นจุกปากตาเหลือกถลนเนื้อตัวซีดขาวประทะกับแสงสว่างจากไฟฉายในมือของเขาแล้วก็ห้อยร่างแข็งทื่ออยู่ต่อหน้าของเขาราวกับว่าอยากจะเห็นเขาขาดใจตาย ต, ายตรงนั้นให้ได้ เขาตะโกนลั่นเลยนะคะว่าผีหลอกผีหลอกแล้วหันหลังแผ่นแนบแบบไม่คิดชีวิตออกไปจากห้องผีสิงนั้นแล้วรีบโทรไปหาเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของคอนโดเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างละเอียดยิบนะคะด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นแล้วก็ลนลานเพราะว่าความตกใจกลัวนะคะหวังว่าอย่างน้อยน้ำเสียงของเขาในขณะนั้นก็คงจะพอทาให้เขาเชื่อผมบ้างคุณกริดบอกไม่มากก็น้อยนะคะ เจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่าเชื่อสิทําไมจะไม่เชื่อเขาเจอกันมาเยอะแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกกับคุณกริดพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วหญิงสาวคนนั้นผูกคอตายภายในห้องพักของเธอเองเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาสาเหตุก็เนื่องมาจากเครียดจัดที่ถูกฟ้องล้มละลายหลังจากทําธุรกิจที่เธอทําได้พังพินาศย่อยยับลงเพราะว่าพิษเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะ ก็มีคนพบเห็นวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ใกล้ ก, กันกับบริเวณห้องพักนั้นหลายหนจนคนที่อยู่บนชั้น 15, ชั้นเดียวกันกันกนกบเธอเนี่ยต่างพากันปิดห้องหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วก็ไม่ใช่ยามคนแรกนะคือคุณกริชเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่เจอกับผู้หญิงคนนี้ในลักษณะแบบนี้แล้วทุกคนต่างก็เพ่นหนีกันหมดไม่มีใครกล้าทางานอยู่ต่อสักรายเดียว คุณกรีษบอกว่าฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกเนี่ยบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่กล้าพอที่จะอยู่ทำงานที่นั่นต่อเพราะว่ามันเจอหนักซะจนเกินทนไหวจริงๆพอวางหูโทรศัพท์เสร็จปุ๊บคุณกรีษบอกว่าเขาก็เพ่นกลับทันทีในกลางดึกคืนนั้นนั่นเองไม่ต้องเขียนใบลาองลาออกมาแล้วเพราะว่าโดนผีหลอกขนาดนี้ อนุมัติทันทีเลยละกันนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณกริชที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านที่ติดตามชาแนลพระเจอผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ว่าทางที่ดีอยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เรื่องเล่าที่นำมาเล่านะคะโดยส่วนตัวของบีเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักนำคุณผู้ฟังให้เชื่อถือหรือว่างมงายอยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ